บันทึกกรรมฐานสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกกายานุปัสสนาอาณาปานาปป ะ, ะการปฏิบัติธรรมเป็นความมุ่งหมายสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะการเรียนเป็นส่วนปริยัตจะได้ผลก็ต้องมีการปฏิบัติ การปฏิบัติสําหรับบรรพชิตคือผู้บวชในพระพุทธศาสนาเบื้องต้นคือการปฏิบัติพระวินัยซึ่งเป็นส่วนศีลแต่การปฏิบัติพระวินัยยังมีข้อที่จะต้องปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนศีล น, นั้นเป็นสิกขาที่หนึ่งสืบขึ้นไปอีกคือสมาธิและปัญญาเมื่อมุ่งผลของการปฏิบัติที่สูงขึ้นก็ต้องปฏิบัติในสมาธิ และในปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาอีกด้วยฉะนั้นในบัรนี้จะได้แสดงถึงหลักปฏิบัติสมาธิก่อนสมาธิคือการทำจิตให้ตั้งมั่นแนว่วแน่ในอารมณ์อันเดียวซึ่งเป็นอารมณ์ของสมาธิเพราะว่าจิตนี้มีปกติดิ้นรนกวัดแกงรักษายากห้ามยากแต่ก็อาจที่จะทำให้สงบได้อาจที่จะรักษาได้ห้ามได้ ด้วยใช้สติกำหนดอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของสมาธินั้นมีมากแต่ในบัดนี้จะแสดงเพียงข้อหนึ่งคืออาาปานาสติสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกในสติปัฏฐานสูตรท่านสอนให้ผู้ที่จะทำสมาธิข้อนี้นั่งขัดบัลลังก์คือนั่งสมาธิตั้งการตรงดมรวสติมีสติมั่น มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกและให้ตั้งสติกำหนดเป็นขั้นๆไปคือ 1. หายใจเข้ายาวก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้ 2. อหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้ 3. ศึกษาคือสาเนียกกาหนดกายทั้งหมดหายใจเข้า ศึกษาคือสัมเนียกกำหนดกายใจทั้งหมดหายใจออก 4. ศึกษาคือสัมเนตรกำหนดสงบระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายอันหมายถึงลมหายใจหายใจเข้าศึกษาคือสัมเนตรกำหนดสงบระงับกายสังขารเครื่องปรุงแต่งกายอันหมายถึงลมหายใจหายใจออก แสดงไว้เป็นสีขั้นควรทำความเข้าใจเรื่องลมหายใจทั้งสีขั้นนี้โดยสังเขตคือเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติทำจิตให้สงบลมหายใจก็หยาบมีระยะที่หายใจยาวอีกอย่างหนึ่งต้องการสูดลมหายใจยาวก็ทำการสูดหายใจให้ยาวได้สำหรับในขั้นนี้จะทำการสูดลมหายใจให้ยาวอย่างออกกำลังหรือหายใจโดยปกตินั่นละ เมื่อยังไม่ทำสมาธิก็ยาวคือว่าหยาบเมื่อเช่นนี้ก็ให้ทำสติให้รู้อยู่เข้ายาวก็ให้รู้ออกยาวก็ให้รู้คราวนี้เมื่อทำสมาธิจิตละเอียดเข้าลมหายใจก็ละเอียดเข้าช่วงหายใจก็สั้นเข้าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้รู้คือว่าเข้าสั้นก็ให้รู้ ออกสั้นก็ให้รู้ต่อจากนี้ก็ศึกษาคือสำเนียกกำหนดให้รู้กายทั้งหมดนี้ในปฏิสัมพิธามรักอธิบายว่ากายมีสองคือรู ป, ปากายและนามากายรู ป, ปากายได้แก่รู ป, ปรขันก็ให้รู้ว่า รูปประคันมีอิริยาบถในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรอิริยาบถใหญ่เป็นอย่างไรอิริยาบถน้อยเป็นอย่างไรตลอดจนให้รู้ลมหายใจซึ่งก็จัดว่าเป็นรูปประคันเหมือนกันนี่เรียกว่ารูปประกายและให้รู้นามากายคือให้รู้ความคิดให้รู้สัญญาคือความกำหนดในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร คอยกำหนดให้รู้ทั้งรู ป, ปรกายและนา ม, มากายทั้งหมดแต่ว่าในข้อนี้ในวิสุทธิมรรคอธิบายแคบเข้ามาว่ากายทั้งหมดนี้หมายถึงกองลมทั้งหมดซึ่งโดยปกติเมื่อหายใจเข้าลมก็จะตั้งต้นที่จมูกกลางที่หัไทยลงไปถึงนาพีคือสะดือเมื่อขาออกก็จากนาพีมาหัไทยแล้วก็มาจมูก ก็ให้กำหนดรู้ให้ตลอดสายทั้งเข้าทั้งออกคราวนี้ก็มาถึงขั้นที่สี่คือศึกษาสำเนียกกำหนดสงบระ ง, งับกายสังขารคือลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกกำหนดลมหายใจที่เป็นไปโดยปกติที่เมื่อจิตละเอียดหายใจก็ละเอียดเข้าเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็รักษาความละเอียดไว้และคอยกำหนดจิตให้ละเอียดยิ่งขึ้นและรักษาลมหายใจที่ละเอียดนั้นไว้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นปล่อยให้เป็นไปตามปกติธรรมดาที่เป็นไม่เกรงตัวไม่บังคับลมถ้าไปเกรงตัวไปบังคับลมก็อาจจะทำให้เกิดเกรงกาย ห, ห, หายใจฮืดฮาดเป็นปลุกตัวทำให้ร่างกายบางทีก็เอาอะตึงตัง ซึ่งนั่นไม่ใช่เป็นวิธีปฏิบัติในอาณาปานสติวิธีปฏิบัติในอาณาปานสตินั้นต้องกำหนดให้ละเอียดยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นสี่ขั้นแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นสำหรับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็กำหนดไปตามที่เป็นสำหรับในขั้นที่สี่ก็เป็นผลที่ละเอียดเข้า ความสำคัญจึงอยู่ในขั้นที่สามขั้นที่สามนั้นในเบื้องต้นก็อาจจะต้องคอยตามลมเข้าตามลมออกตามลมที่เข้าก็คือทรงจิตจากนาสิกคือจมูกไปอุระคือกลางอกหรือหัตถัยแล้วก็ไปนาพีคือสะดือขาออกก็จากนาพีมาอุระแล้วก็ออกนาสิกเช่นนี้ จิตยังไม่สงบเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้กาหนดจุดไว้จุดหนึ่งเพียงจุดเดียวในตําราปฏิสัมพิธามรักและวิสุทธิมรักท่านสอนให้กาหนดจุดที่ลมกระทบในที่ต้นทางเข้าและในที่ปลายทางออกคือถ้าคนจมูกยาวก็ที่กระพุ้งจมูกถ้าคนจมูกสั้นก็ที่ริมฝีปากเบื้องบน แต่ว่าที่ไหนนั้นก็สุดแต่ละบุคคลให้สังเกตดูว่าเมื่อหายใจเข้าลมกระทบที่ไหนก่อนที่ริมฝีปากเบื้องบนหรือที่กระพุ้งจมูกก็ให้กําหนดไว้ที่จุดนั้นและเมื่อออกลมออกก็จะมากระทบที่นั่นจุดที่ลมกระทบเมื่อเข้าและเมื่อออกนั้นเรียกว่านิมิตแปลว่าที่กาหนดจิต เมื่อกำหนดจิตไว้ที่กำหนดไว้ดังนี้เมื่อหายใจเข้าลมกระทบที่นิมิตคือที่กำหนดจิตอันนี้ก็รู้เมื่อลมหายใจออกมากระทบที่นิมิตที่กำหนดจิตอันนี้ก็รู้และเมื่อให้จิตกำหนดอยู่ในจุดนี้รู้อยู่เสมอดังนี้ก็ชื่อว่าได้รู้กองลมทั้งหมดเปรียบเหมือนอย่างว่าคนเลื่อยไม้ ก็มองกำหนดดูอยู่ที่ไม้ตรงที่เลื้อยเลื่อยอยู่ก็เห็นไม้ที่ตรงนั้นด้วยเห็นเลื้อยอยู่ที่ตรงนั้นด้วยกำหนดอยู่ที่จุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องดูเลื้อยทั้งหมดที่เสือกไปเสือกมาทำการเลื้อยดูอยู่จุดเดียวคือที่ไม้ตรงเลื้อยถูกนั้นเพียงจุดเดียวแล้วเมื่อเห็นอยู่ที่จุดนั้นจุดเดียวก็เป็นอันว่าได้เห็นทั้งหมด กำหนดจิตให้อยู่ตรงนี้จุดเดียวในการที่ตั้งสติกำหนดอยู่ที่จุดเดียวนี้เพื่อจะให้จิตกำหนดมั่นคงท่านก็สอนวิธีเป็นอุบายสำหรับช่วยต่างๆเช่นสอนให้นับดังในวิสุทธิมัรสอนให้นับนับช้านับเร็วนับช้าก็คือหายใจเข้านับหนึ่ง หายใจออกนับหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามแล้วก็สี 4, ่สี่ห้าห้าแล้วก็กลับไปหนึ่งหนึ่งจนถึงห้าห้าแล้วต่ออีกเป็นเข้าหออกหแล้วกลับไปที่เข้าหนึ่งออกหนึ่งจนถึงเข้าเจออก7แล้วก็กลับไปที่เข้าหนึ่งออกหนึ่งจนถึงเข้า8ดออก8ดแล้วก็กลับไปที่เข้าหนึ่งออกหนึ่งจนถึงเข้า9้าออก9้า แล้วก็กลับไปที่เข้าหนึ่งออกหนึ่งจนถึงเข้าสิบออกสิบแล้วก็กลับไปเข้าหนึ่งออกหนึ่งจนถึงเข้าห้าออกห้าแล้วก็กลับไปเข้าหนึ่งออกหนึ่งจนถึงเข้าหกออกหกย้อนไปใหม่ดังนี้อยู่เสมอจนจิตเชื่องเข้าพอจะอยู่ที่ก็เปลี่ยนเป็นนับเร็วคือไม่นับคู่แต่ว่านับเดียวหายใจเข้า 1, หนึ่งหายใจออกสองเป็นต้น เมื่อจิตเชื่องเข้าอยู่ที่แล้วก็ทิ้งการนับกาหนดอยู่ที่จุดนั้นเสมอไม่ให้คลาดเคลื่อนไปแต่ว่าบางอาจารย์ก็สอนอย่างอื่นให้ใหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทแต่ว่าวิธีเหล่านี้เป็นวิธีอุปกรณ์สุดแต่ว่าใครจะชอบอย่างไรใครจะใช้วิธีนับใช้นับอย่างที่สอนไว้ในวิสุทธิมรรคหรือจะใช้อย่างอื่น ก็สุดแต่จะชอบเช่นว่าจะนับหนึ่งไปจนถึงสิบทีเดียวแล้วกลับนับหนึ่งถึงสิบใหม่อย่างนี้ก็ไม่ขัดข้องอะไรเพราะเป็นอุบายเท่านั้น